กับจํานวนธาตุกัมวัตรปัตตโมวะโคที่ลงอิปัจจัยผููทาตมีและเป็นเพ่งดูเห็นใจทิสตาภู้ทาเกิดเป็นมีทาตยินดีใจระมาสิทาตอาศัยนอนธาตสัมซ้อนใจซาตตามาราราชีตายธาตร้องหายใจรู้ธาตปัจะหคมต้องแก่ดรอเสวงใจอิสตาอิคาเพ่งเห็นดูในความรู้ใจมนะ ลาภในความได้แสงใไสไ่ใครใจลิสัตก้รมในความไปราเชื่อใหญ่ใจมิธาตุติโยวโาโคธิลงอะเณนิคาิอาคมลุธาการและปิดไว้ปิดใจขาลรามูจาเพื่องปวดปล่อยทาทนรอยใจหูหาผู้ชาในความจินเปลีป่ยงแสลงชินใจพยาพิธาต่อยทำได้จอทักใส่ใจจ้ ต, ตาสา ลิปปาคาไหรลาปาฮะคาใจฮะตัติโยวาโคที่ลงยปัจัยที่ว่าในความเล่นความดังเตงนใจนาตาสีว่าในความเย็บป่วยไข่เจ็บใจชราพูทาท้ทาตัดจะรู้ใจหมดหัวใจกุจักที่ธาตุเหลือ่อมเต้นทาเคียวเกียงใจคาตุมุหาชาตลงไลจะรเรื่ใหญ่ใจมหามูตาในความลืมธาทุาดเดิอใจปีว่า ราชายอมกำหนัดพูดไม่จะใช่มิเลชาจะสุดโซวะควที่ลงนู่นนาปัจใจสูธาตุในความฟังหนูจารางใจกัาทะบูธาตุในความร้อยพบ ก, กัต่อยใจดัมสาสีธาตุถูกและปันต่อทุ ก, กัน ใ, นใจยุธาปั่นจำโมวะควที่ลงนาปัจจัยกีธาตุในความซึ่งกับโรคนับเชื่ใจมหา ตีทาตในความชนะมีใจอ้วนลำใหญ่ใจมีวะสุ้าตในความกำจัดเทียยสงัดใช้วิจารตทาตก่อสามทาธาจมใจสี่าตุลูาตุตัล็เกี่ยวโตแห้งเหี่ยวใช้สุจารยาทาตในความรู้ธาตรัปู่ใจจาระปู่าตัดแลป่วยลัสมวยใจมุสะจัทุววกวัตรที่ลงนาหน้าปัจจัยพระาธาตุยืดือเอาโมร สัตตโมวะครัวที่ลุงโอปัจจใจตาหน้าความแห่ไปแต่สลายใจรู ป, ปะการะในความนาำเหยียบใครยอมใจมตาตรสการะในความอาด่าปริพาใจจัจจะยาการะในความตื่นเปียกชุ่มชืนใจติมาสัตตโมวะครัวที่ลุงนีนยัยยปัจจัยจุระในความรักทาให้ลําบากใจเตา ในความสือคำหนึ่งเมื่อใจสาระละักษณะกา ห, หนดในราดับใจสิจาระาในความปรึกษาขอรบปูชาใจปูชาจิตาในความคิจูบจุมพชใจจุมปานาวมัววะปวที่ลงด้วยปัจจัยรวมพิธาในความัวเพิ่<อ>ออมามวัวใจมาธาบุขาปัาานเพตอเกิดไลออกใจปู่ามิธาภาจากการฟ้ารองลานใจคะชา กรรมปานันวันไว้ธาตุไปใช้วิสาขณะในความปวดเกาและปวดใจว่าตารู้จักนอกเตียแทงประดับตกแต่งใจผู้ตากระทับตัวน้องนายถึงเป็นปลายใจประทางกีระเบิกบันใจกาเอมไปใช้กาตา